นโมตนาบุญทุกท่านั้นญาติธรรมจำหน้าได้ <c oughs> คุณคุณหน้าช่วงนี้ห่างหายไปนานไม่ได้มาครั้งหนึ่งก็รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีนะรับางา น, นว่าจะมาที่นี่แล้วไม่ได้มาเลื่อน <c oughs> ก็เลยคราวนี้มาใชหนี่เก่า <c oughs> ใชหนี่เก่านั่งตามสบายนะนั่งตามสบาย ไปฟื้นฟูร่างกายมาสามสี่เดือนไปพักในโรงพยาบาลตอนพักก็ก็คิดถึงนี่ว่าเออเรามีงานอะไรไปเยอะด้วยต้องหยุดงานหลายงานต้องขอโทษเจ้าภาพมันเป็นเป็นโรคตับนะผมเป็นโรคตับตับปักเสบไบรัสซี่มันไม่ค่อยดี อาการมันตับแข็งมันก็เลยกลําเริบทําให้น้าในช่องท้องเนี่ยมันมีมากผิดปกติท้องบวมตัวบวมหายใจลําบากเวลามันเวลาน้ํามันมากแล้วก็กดตรงลิ้นปีอ่ะทำให้เราหายใจลําบากเวลานอนก็หลับได้ไม่นานเด็กก็ตื่นละเหลับตื่นตื่นบางครั้งสื่อว่าหลับไปแล้วเนี่ยเหมือนเราไม่ได้หายใจ เคยไหมมันไม่ได้หายใจมันคนที่ไหลาตายมันไม่ค่อยหายใจมันต้องรีบตื่นมาขย่าตัวเองลูกมาขย่าตัวเองเพื่อกระตุ้นเนี่ยบางทีตื่นมารู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกเราต้องขยับตัวเองกระตุ้นตัวเองขย่าตัวเองให้มันให้มันช่วยช่วยขยายขยายปอดเนี่ยร่างกายผมเนี่ยต้องกระตุ้มใช้ทุกวันเนี่ย ทุกระบบเลยผมกระตุ้นใช้หมดเลยการหายใจการขับถ่ายการย่อยอาหารทุกอย่างกระตุ้นใช้ใหายใจลาบากเราเวลาทางข้าวนี่ยทานได้ามสี่ช้อนอึดอัดแน่นแล้แน่นละจุกบางครั้งเกือบจะเป็นลมทางข้าวไม่ทันจบต้องยกก็ไปนอนก่อนนอนเพื่อเยียดตัวให้มันกล้ามเนื้อมันคลาย คนที่เป็นระบบซีห้าหักเนี่ยการหายใจจะลําบากอยู่แล้วแล้วยิ่งกล้ามเนื้อส่วนล่างเนี่ยมันมันไม่ค่อยทํางานแนละ้วมันรัดตัวมันเองหมดเลยรัดแล้วก็กระบางลมเนี่ยมันไม่ขยายเวลานั่งเนี่ยมันก็จะย่นลงไปเรื่อยๆฮะมันกดก็หายใจลําบากระบบหายใจแย่มากมันก็เลยต้องกระตุ้นขยับตัวอยู่เรื่อย เนี่ยผมพูดไปผมต้องขยับตัวไปนี่คือช่วยในการหายใจนะไอ้ที่อยู่ถั่ล้อเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอล้อเพื่อหายใจหน่อย <c oughs> มันช่วยหายใจได้รู้จักผ่อนลมหายใจก็ไปหาคุณหมอหมอก็อัลตราาดูว่นาน้ำในช่องท้อง ม, มันก็เยอะแต่ว่ามันไม่มากพอที่จะเจเาะเขาก็เลยจะเจาะ ก, ก็ไม่ได้เพราะไส้ ลำไส้มันเยอะน้ำมันยังน้อยยังไม่เพียงพอเจอะไปที้ถ้าเจอไปถูกเอาไส้เขา้า ม, มันทะลุเขามันจะเดือนร้อนไปใหญ่ลำบาก้วยเลยก็เลยไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะน้ำออกจากทลองนะแต่ให้ยาขับปัสสาวะก็ทานยาขับปัสสาวะพอทานยาขับปัสสาวะปัสสาวะออกช่วยระบายน้ำออกบ้าง ปัสสาวมากๆเนี่ยมันก็หมดแรงนะมันเจออีอาการนึ่งอะมันไม่มันไม่สมดุล น, นะหมดแรงอีกโอหมดแรงไม่มีแรงพูดเวลาแยกย่าดิทามมาคุยก็ขอบคุณมากเขาลังมาใหม่เสียงมันไม่ออกแต่เราก็อยากจะพูดนะยา่าติทามอยู่แล้วก็พูดยาดิทามบอกอาจาร ย, ย์อย่าคุยอย่าคุยเราเห็นหน้าก็ อ, อดคุยไม่ได้พอคุยไปมันก็เสียงก็ไม่ค่อยอ่อนแล้วมันก็เหนื่อย เสียกำลังมากทานอาหารก็ไม่ค่อยได้ก็ดูปฏิทินว่าตอนนั้นมันเดือนเดือนตุลาคมเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งหมอกำลีงจะทำยังไง <c oughs> คือไม่ได้ไม่ได้ให้หมอให้หมอไปทำอะไรห่ะก็รู้ว่าเราคงจะทำอะไรยากละให้หมอก็ดูเส่อว่าเป็นยังไงมากงเนี่ยเรื่องของหมอก็ดูแลร่างกายหมอวยธีทไงก็ให้ยาขับปัสสาวะยาบำรุง ยาไกลยเครียดะไรไม่ต้องไม่ต้องถ้าหมอให้ผมแล้วผมจะคืนหมอเลยหมอหมอควรทานนะผมไม่ต้องทานรอกอยาไกลเครี่ยดหมอควร น, นะหมอต้องรับงานเยอะพอมันเจออาการที่มันหมดแรงเพลียก็ดูเวลาดูว่าโอโ้นี่พฤติการธันวามกรามันจะรอดปีใหม่นี่ไมเนี่ย ส อ, อาทิตย์แล้วนะผมยังเหนื่อยยังเหนื่อยปกติเหนื่อยแล้วนอนไม่ค่อยหลับเวลาเหนื่อยมากๆจะนอนไม่ค่อยหลับมันก็หลับแกจัวกล่าวแล้วก็ตื่นมาตื่นมาว่าความเหนื่อยกระบางลมไม่ขยายให้ใจลําบากก็กล่วว่าเออคงจะไม่ถึงปีใหม่แล้ววนะ่า <c oughs> คุณเอคุณเอเตรียมจัดงานแล้วว่า <c oughs> จะไปที่ไหนดีอาจารย์ <c oughs> พี่สาวมาเจอผมบอกว่าโอ้จะทํายังไงดีเนี่ย ถ้าตายไปจะไปเผาเชียงใหม่หรือจะอยู่กรุงเทพเราก็บอกไม่เวลาแล้วผมนําทำหน้าที่ตายหน้าที่ผมคือทาหน้าที่ตายให้ดีที่สุดที่เหลืออยู่เนี่ยก็แล้วแต่นะที่ไหนก็ได้เพราะไม่สาคัญอะไรเราทําหน้าที่ตายให้ดีที่สุดมันหมดหน้าที่ของเราก็เลยมียติทำแนะนําไปที่โรงพยาบาลเสาให้ สระ บ, บุรีเป็นโรงพยาบาลที่ประจําอําเภอนะมันมีแพทย์ทางเลือกด้วยแพทย์ทางเลือกและผู้ในการก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเคยบวชที่วัดป่าสุกโตเขาก็ยินดีเป็นแพทย์ทางเลือกเราก็เลือกไปไม่ได้เพื่อจะไปรักษาหรอกเพื่อจะไปพักผ่อนเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักจะต้องไปพักผ่อนไปที่ไหนมันไม่ค่อยได้พัก อยู่กรุงเทพก็ไม่ได้พักอยู่เขาใหญ่ก็ไม่ได้พักมาเจอแขนเ้าก็ต้องคุยคุยแล้วเราก็หมดแรงก็เลยไปพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลสอให้ไปฟื้นฟูคุณหมอสุวัสด์เป็นผู้ในการสามเดือนแม่ไปไหนอยู่ในห้องหนึ่งเดือนก่อนหนึ่งเดือนขออยู่ในห้องก่อนขอฟื้นฟูนอยู่ในห้อง ฝังเข็มบ้างนวดกดจุดบ้างแล้วก็ทานยาจีนมันก็มีอาการดีขึ้นภายในสองอาทิตย์เพราะว่าอันดับแรกคือเราได้พักไม่ได้ใช้เตียงไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวก็นอนอยู่บนเตียงไใหม่ๆก็ใช้ออกซิเจนช่วยหน่อยมีน้ําเกลือบ้างมีอะไรบ้างหมอเขอยากให้ก็ให้ไปก็แทงน้ําเกลือไป เวลาเหนือยหน่อยก็เราก็ไม่เป็นไรเราขอให้ใจก่อนไม่อยากจะใช้เครื่องไม่จาเป็นไม่ใช้เครื่องเราหายใจได้อยู่จะหาย ใ, ใจอ๋อต้องใช้เครื่องช่วยหน่อยอ่ะช่วยหน่อยก็เครื่องก็ช่วยร่างกายก็ทำกันไปสองสัปดาห์อาการก็ดีขึ้นอยู่สามเดือนไม่ได้ไปไหนลนะอยู่ในห้องก็ <g år> ฟื้นฟูขึ้นมาได้ตอนแรกฟื้นก่อน ฟื้นจากจะอาการนี่มันไม่ค่อยดีนะฟื้นออกมานะตอนนี้ก็ฟูให้มันแข็งแรงบอกคุณหมอฟื้นฟูแล้วเนี่ยผมต้องทํางานได้ถ้าฟื้นปูไเวลาเพื่อจะอยู่ได้นี่ไม่มีประโยชน์เลยเราจะต้องอยู่เพื่อทําหน้าที่ของเราอยู่ด้วยการกระตุ้นกระตุ้นระบบต่างๆเพื่อทํางานก็เอานะสามเดือนมาบอกอ่าออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้ก่อน ที่จริงหกเดือนนี่นะเอาแค่หกเดือนแต่ว่าเอาแค่สามเดือนพอออกมาใช้ชีวิตตามปกติดูซิเป็นยังไงบ้างเราต้องปรับตัวนอนอยู่ที่เฉยมันมืนไม่ค่อยมีค่าอะไรมันก็บอกว่าออกมาสามเดือนกลับไปเราก็สังเกตดูร่างกายเราหมอกขาตรวจดูมีวิธีการเคยเห็นแม่ไหมเคยเคยเห็นหมอแม่ไหม เขาก็แมะดูร่างกายดูอาการของกายดูว่าพลังหมดไปแค่ไหนหมอแมะเราเสร็จแล้วก็แมะหมอมัง่งดูจิตหมอที <c oughs> จิตเป็นยังไงหมอบอกว่าโอ้สามเดือนกลับไปนี่พลังมันลดลงพลังลดลงต้องหาเวลามาพักฟื้นสักระยะหนึ่งนะเราก็ต่อรองมาเรื่อยหลายครั้งสามสี่ครั้งแล้วก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปปลั๊กปื้ออะไรต่อเราคิดในใจว่าเรามีเงินถ้าเราใช้เงินไปเรื่อยๆเนี่ยเงินมันก็ต้องหมดไปใช่ั้มเรามีพลังใช้พลังก็ต้องหมดไปมันก็ธรรมดาไม่เห็นแปลกอะไรเวลาพักมันก็อาจจะอาจจะกลับกลับขึ้นมาได้เาตอนนี้เหลือแปดิเปอร์เซ็นที่จะใช้งานได้ก็ออกมาทำหน้าที่ ร่างกายจิตใจขันห้าเนี่ยเราเขอยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวเรายืมมาชั่วคราวนะพรามละเอียของเราเราเขอยืมเข้ามาใช้กายจิตรูปนามขันห้าเนี่ยยืมเขามาใช้แล้วก็ค่อยๆทวงคืนไปทีละอย่างทีละอย่างเขาเรียกความเสื่อมนะไม่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้น เรายืมเขามาใช้ชั่วคราวเราไม่อาจจะยึดครองก็ได้บังคับก็ได้ใหได้ในใจเราเขาก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาก็เลยเอาละ่ะเด้โอกาสมาทำหน้าที่ก็พูดเป็นงานเป็นการในครั้งแรกคือที่นี่ตอนแรกคุยกับคนญี่ปุ่นก็ถือว่ามันไปลองเครื่องดูอันนี้ก็ลองวิ่งแหละนิ่งไม่ต้องลองเอาจริงๆนะตัวนี้ <laughs> มันก็ดีที่ว่า ในยานที่เราเจ็บไข้เนี่ยเราได้ใช้กรรมฐานได้ใช้กรรมฐานดูความเปลี่ยนแปลงก้องขันห้าดูความทุกข์ก้องขันห้าดูความเป็นอันตาก้องขันห้ามันชัดเจนมากกรรมฐานเนี่ยใช้ตอนป่วยเนี่ยหเยี่ยมมากอารมณ์อะไรมันก็รุนแรงมันต้องหนักแน่นนะทุกอย่างมันรุนแรงทั้งนั้น ทุกเวทนาก็รุนแรงอาการของกายมันก็กระสับกระส่ายเรื่องของจิตมันก็คิดไปหลายอย่างเคยสังเกตไหมว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะมากเลยมันถูกที่ถูกเวลาเลยพยายามป่วยไข้เนี่ยอย่าปฏิเสธเดียวทำกรรมฐานนะถ้าเรามีใจว่าตั้งใจทากรรมฐานขนาดโปรยเนี่ยใจมันจะเป็นอิสระมันจะมันจะมีพลังตั้งอยู่จุดหนึ่ง ที่จะไปเชยกับกำฐานของกายของขันห้าของจิตใจเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นทุกข์เนี่ยถึงจะมีทุกขเวทนามากๆ ม, มันก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตได้ทั้งหมดหรอกเพราะเรามีกำฐานเป็นหลักเอาไว้มันเป็นโอกาสดีนะเห็นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าใจโดยไม่มีคําพูดอะไรไม่ต้องฟังคําพูดจากครูบาอาจารย์ไม่ต้องไป หานักตำราอ่านนี่อะไรในตัวเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรเป็นครูกรรมฐานอย่างดีนะดูดีๆเนี่ยนี่พอเราป่วยไข้ขึ้นมาปับ๊บเราก็วิ่งหายาวิ่งห า, าหมอเราไปแต่ข้างนอกไม่เคยกลับมาดูตัวเราว่าโอ้นี่มันอาการไปอย่างนี้เนาะเนี่ยก า, มากยมันกะสับส่ายอย่างนี้มันเป็นอะไรมันเป็นยาที่ถูกกับโรค กรรมฐานเนี่ยมันเป็นยาที่ถูกกับโรคโรคที่มันเกิดขึ้นจากทางกายทางจิตยาปฏิเสธย่าห น, นีมันหนีมันไม่พ้นหรอกมันจะต้องเจอมันแน่นอนเราเลี่ยงไม่ได้นะความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความเจ็ บ, ว ค, ว ค, วจบความตายความป่วยไขยเ่เราเลี่ยงไม่ได้เหมือนเราเลี่ยงภาษีก็เลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องที่จะต้องผเผชิญหน้าต้องเจอกัน เราตั้งมั่นจะเจอกับมันนี้ปั๊บเนี่ยจิตมันจะมีกําลังทุกเวทนาที่มีเต็มร้อยมันเหลือไม่ถึงร้อยแล้วเหลือหนะ้าสิบเนี่ยาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเอามาแล้วครึ่งหนึ่งตั้งมั่นดีๆนี่เวทนาเนี่ยก็คือส่วนประกอบคือส่วนประกอบในชีวิตเราตนเองไม่ใช่เรื่องของเรามันดีตอนใช้กรรมฐานสําคัญใช้ตอนเนี้ยเป็นเวลาที่เหมาะมากเลย มาโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเนี่ยเรื่องของใจเนี่ยในยามป่วยไข่เนี่ยใจเนี่ยมันจะต้องเป็นหลักมันใจเนี่ยมันจะเหนือกายได้ถ้าเราอาตถยกรรมาฐานกัลยจิตเป็นนายกายเป็นเบาทุกอย่างสาเร็จด้วยที่ใจอั้างนั้นนะ่ะเรื่องของกายเราก็ให้หมอดูแลนะแบ่งหน้าที่กันนะอย่าไปก้าวกาย ไม่มต้องไปสอนหมอเราต้องรักษาไงให้ยาอะไรไม่ต้อง่อให้หมอก็ mm hmm. ดูแลเรื่องร่างกายแต่เราเนี่ยดูแลท่านั้นจิตใจอาศัยกรรมฐานคนที่มาฟังธรรมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยส่วนมากก็ผ่านการทํากรรมฐานมาอาจจะเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆก็คือกรรมฐานเพราะฉะนั้นกรรมฐานคือเรื่องของจิตใจล้วนๆเลย ใจนี่สําคัญอย่างเช่นว่าเวลาร่างกายมันป่วยไขย้สาหัสแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าใจมันรู้เท่าทันและไม่ยึดเนี่ยทุกเวทนาทางกายอาการปวดไข้าทางกายเนี่ยมันก็ไม่มีผลในทางจิตนะ <c oughs> จิตมีอิสระได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตดีแล้วเนี่ยทุกทางกายเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาแค่เพียงนิดหน่อย ที่ว่าบางอย่างเราอาจจะรู้ไม่ทันในความเปลี่ยนแปลงในความบังคับบัญชาไม่ได้วันนี้สายเราชอบจะบังคับควบคุมมันแต่กรรมฐานนี่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมแค่ดูดูด้วยความรู้สึกอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันไม่มีผลทางด้านจิตใจมันเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าใครไม่มีกรรมฐานเนี่ยเกิดมานี่เสียเปรียบมาก <c oughs> มันเสียเปรียบมากสุขทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจความหลุดพ้นก็ที่ใจการบรรลุธรรมรูลุที่ใจไม่เกี่ยวกับร่างกายกายคือส่วนประกอบมันจีมจีมเป็นข้อมูลให้เรารู้ที่ทำไปมันเป็นแบบฝึกมันเป็นกระสอบลายให้จิตมัน้อม <c oughs> คือกายซํำกันนั้นว่ากรรมฐานเนี่ยจะแปลตรงๆคือโรงงานฝึกใจเป็นโรงงานฝึกใจ การมถามโรงงานปึกใจเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเพราะว่าปัญหามันที่ใจมากกว่าที่กายนะแม้ว่าต้นตอมันมาจากกายแต่ต้นหลักลึกๆเนี่ยมันเป็นอวิชาของจิตใจที่ไปยึดมั่นตึงมั่นตัางหาละนั่นคือต้นต่อใหญ่เรามองว่าโอ้เป็นเพราะกายป่วยเป็นเพราะกายเจ็บเป็นเพราะกายจะแก่จะตายมันไม่ใช่มันเป็นเพราะใจตั้งหาที่ไปยึดมัน ถ้าใจไม่ยึดหนี่กายจะแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องของกายเป็นสายทานของธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองใจเป็นแค่ผู้ที่อาศัยกายรับรู้รับทราบเอาไว้ที่กรรมาฐานฝึกใจในขณะป่วยไข้เนี่ยเพราะใจมันชอบคิดใช่ไหมเราจะคิดเวลาป่วยไข้คิดมากมายสารพัดอย่างมันจะหายไหเนาะ จายเมื่อไหร่จะมีเงินรักษาหรือเปล่าและใครจะดูแลไม่ได้เกี่ยวเรื่องกายเลยมันคิดออกไปข้างนอกต่างนั้นเลยเรื่องของเงินเรื่องของเวลาเรื่องของงานเรื่องของคนคนนู้นมาเยี่ยมคนนี้ไม่อยากให้มาเยี่ยม <c oughs> มันพุกเพราะจิตใจทั้งนั้น <c oughs> เรื่องของกายหมอให้ยามันก็ค่อยๆจะดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แต่พราะจ่ายมันไปปลุงแต่งมาก มันเลยแต่ไม่อาการทางกายจะจะลดน้อยหลวงกลับรุนแรงขึ้นและรอโทษว่ากายป่วยใจน่ละป่วยมาก ก, กาว่ากายว่ากรรมฐานเอาไว้จัดการที่จิตใจเหลืองการคิดปรุงสร้างพอคิดมากจิตมันก็เหนื่อยเหนื่อยไหมคิดมากจิตก็เหนื่อยคิดดีมากๆเหนื่อยไหมจริงหรือ เราอม่แต่คิดไม่ดีเหนื่อยนะคิดดีมันก็เหนื่อยนะเพราะว่าใจมันรับน้ำหนักที่ไอ้ความคิดมันก็มีน้าหนักถ้าหยุดคิดเตจิตมันจึงจะสบายใชถ้าหยุดคิดไปเนี่ยจิตจะสบายเลยคิดดีเนี่ยมันก็มีน้าหนักแบบดีนะคิดไม่ดีมันก็จะหนักมากแบบไม่ดีถ้าไม่คิดเนี่ยจิตไม่ต้องรับหนักอะไรเลย อย่างเคยตัวอย่างเนี่ยเรามีถุงสองใบถุงหนึ่งหิ้วทองหนึ่งกิโลอีกถุงหนึ่งตะกัวหนึ่งกิโลอะไรมันหนักกว่ากัน <c oughs> ไอข้างทองหนึ่งกิโลกับตะกัวหนึ่งกิโลใครหนักกว่ากันนะตะกัวหนา ก, กว่าออกันอย่างละ1นกิโลใครหนักกว่ากัน มันหนักเท่ากันแหละแต่เราชอบหิวทองทองมันมีค่ากับตะกัวใช่ไหมใช่ไหมมันก็ต้องหนักเหมือนกันใช่ไหมแล้วความคิดนะคิดดีมันก็หนักแบบดีๆอาจจะหนักแบบสบายใจไอ้คิดไม่ดีมันก็หนักหน่วงเลยพวกนี้ชัดเจนเลยเหมือนเหมือนพิวทองกับพิวตะกัวอย่างละหนึ่งกิโลมันหนักเท่ากันแหละคือจิตต้องรับน้ําหนัก เหนื่อยเหมือนกันถ้าหยุดคิดที่จิตมันจะสบายเคยไหมเวลาคิดมาๆปวดหัวหยุดคิดแม้ละมันก็สบายไปหยุดคิดจิตมันสบายอันเนี้ยนที่นี้บ้านจิตสบายไหมไอ้หยุดคิดเมื่อไหร่จิตสบายเลยจิตมันเป็นปกติมันเป็นกลางนะมันจะรับอะไรเข้ามาก็รับได้ง่ายมากเพราะมันหยุดเพราะที่มันว่างอยู่พร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจว่าเราจะไม่คิดตั้งใจว่าจะไม่คิดเนี่ยมันก็จะมีความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาใช่ไหมซึ่งเราห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่คิดปล่อยให้ความคิดมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มากความคิดมันจะไม่เยอะหรอกถ้าเราไม่มีความตั้งใจว่าจะไม่คิดไปก่อนเราก็คิดตามไปเลย มันก็ไปเป็นเรื่องเดียวกันเลยพอคิดเรื่องอะไรปั๊บก็ปรุงแต่งต่อเติมจิตมันก็เหนื่อยมันจิตมันเหนื่อยจิตมันไม่ได้พักมันก็ไม่มันก็เครียดมันก็ไม่ผ่อนคลายเพราะความคิดเนี่ยบางคนบอกไม่เหนื่อยกายเลยแต่เหนื่อยใจเห็นไหมเหนื่อยกายพักแป๊เดียวนอนหลับหนึ่งตื่นมันก็ผ่อนคลายแต่เหนื่อยใจเนี่ยมันเหนื่อยข้ามพบข้ามชาติเลยนะข้ามคืนข้ามวันแล้วเหนื่อยใจ เกิดมาก็สงสัยมีชีวิตอยู่ก็สงสัยก่อนตายก็สงสัยเนี่ยมันก็มีความสงสัยทําไม่เหนื่อยไปสงสัยต่อในชาตินาหยุดคิดติจิตมันจะสบายแต่ไอ้ความหยุดคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปห้ามความคิดแต่เราไม่เจตนาจะคิดไอ้การเหนื่อยของจิตใจมันจะน้อยลงพระใจมันไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ยร่างกายมันก็ได้พักผ่อนไปในตัวเนี่ยบอกว่า เวลาอยู่ในโรงแรมก็สายนะมันต้องคิดอะไรมากมายชีวิตเรามีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่นี่เท่านั้นเองโอสบายเลยเรื่องทุกอย่างอยู่ข้างนอกหมดข้างในเรานอนสบายล่ะอาการเหนื่มมันจะหายไวเราบังคับไม่ได้หรอกจะควบคุมกดข่มไม่ให้มันคิดเนี่ยมันทําได้ได้ยางมามันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้แต่แเจตนาไม่คิดซะบ้างเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ความคิดมันลดน้อยลงไปได้ อันนี้ความคิดที่เราไม่ตั้งชิดมันจะผุดขึ้นมามากมายโดยนิสัยของจิตมันก็มาปรุงแต่งอย่างนั้นแต่มันก็ไม่มีความหมายสหรับเราเพราะมันเราไม่ได้ตั้งใจมันจะเกิดก็เกิดไปมันเกิดยังไงมันก็หายไปแค่นั้นแหละมันก็เดินกันอยู่ตสอดทางนะมันเกิดไปทางเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันอีกทางสบายเลยเราบังคับไม่ได้คนตายเท่านั้นที่มีคิดคนเข้าฌาน บางครั้งมันก็มีความคิดบางครั้งความคิดก็หายไปมันก็ปลุโผล่ๆงั้นแหละแต่คนตายไม่คิดแต่เขามีเดี๋ยวนี้ก็มีคนอีกแบบหนึ่งคนที่สิ้นคิดอ่ะมีนะ เ, เคยเห็นไหมเวลาเราไปร้านอาหารเราสั่งผัดกระเพราไก่ไข่ดาวเนี่เนี่ยเขาบอกเขาบอกเป็นคนเป็นคนสิ้นคิดอ่ะเพราะข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวนี่เป็นอาหารคนสิ้นคิด ถ้าอยากสิ palm, dash, ส้นคิดก็ไป yeah, สั่งคนนี้ก mm ิน hmm. บ่อยๆเลมันสิ้นคิดวิธีการควบคุมความคิดหรืออาชนะความคิดก็ต้องอาศัยหลักกรรมฐานเนี่ยในยามปวดไข้เนี่ยอาศัยหลักกรรมฐานถ้าหยุดคิดเนี่ยจิตมันจะตื่นนะใครสังเกตดูนะจิตจะตื่นได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีความคิดปรุงแต่งถ้าหยุดคิดเนี่ยจิตตื่นเลยตื่นไม่ตื่นภาษาตื่นที่จะรู้ตื่นที่จะรู้หยุดคิดเนี่ยจิตมันตื่นรู้ มันจะเหลือแต่รู้พีมีเพียงแต่รู้และมันไม่มีคิดเอตรงเนี้ยเมื่อมีรู้แล้วไม่มีคิดเนี่ยจิตมันจะเป็นกลางไปในตัวเองไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปจัดจิตให้ตรงกลางไหนละเพราะจิตรู้มันก็ตื่นอกมาเหนือความคิดของที่ก็หายไปเดี๋ยวมันก็สลับเดี๋ยวมันก็คิดอีกเพราะมันคิดขึ้นมาเนี่ยตัวรู้มันจะไม่มีแต่ว่า ถ้าใครทำกรรมฐานต่อเนื่องมันจะคิดเดียเด๋ยวๆมันจะมีรู้ขึ้นมาแทรกคือเราเคยจีนี่ให้มันรู้เราใส่ข้อมูลใจให้มันรู้รู้มันก็เกิดบ่อยรู้ก็เกิดบ่อยเราไม่ต้องไปทําลายความคิดเพียงแต่เราจเจริญรู้ขึ้นมาความคิดมันก็ผูกคุมกำเนิดไปในตัวตัวรู้เนี่ยมันคุมกำเนิดตัวคิดภาวะสองอย่างระหว่างรู้กับคิดเนี่ยมันเกิดไม่พร้อมกัน ทำงานในขณะเดียวกันสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ทำงานสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ใชไหมอันนี้เป็นเคล็ดลับเราก็มีหน้าที่ดิสร้างรู้ขึ้นมาการสร้างคือขยันขยันทำกรรมฐานขยันใช้ชีวิตแบบรู้ศึกตัวจิตมันจะเป็นกลางทั้งวันถ้าจิตเป็นกลางนี่มันจะทำอะไรก็ เบาไม่แต่ผอนคลายจะหยิบจะจับอะไรก็ผ่อนคลายแล้วธรรมะมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีรู้จิต ท, ที่มันรู้เนี่ยเราเห็นเรื่องกายดูที่กายกายมันก็บอกหลายอย่างอ๋อกายมันมีเวทนามีการเคลื่อนไหวมีความมันเป็นผู้ที่ดูที่รู้ที่เห็นเรื่องของกายที่มันเปลี่ยนแปลงพอจิตรู้มันตื่นขึ้นมาป้ากับโอนี่เห็น ทุกเวทนาที่มันมันอาศัยอยู่ในกายมันต้องอาศัยกันเกิดขึ้นในกายโอ้นี่เวทนาเนาะมันมาจากกายที่มันเคลื่อนไหวที่มันนอนนิ่งที่มันป่วยกายโอ้ทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมันมีการดูดูหนังดูละครดูอะไรไม่ได้เข้าไปเล่นะครับแม้แต่ความคิดจะพยายามจะเกิดขึ้นมันก็พยายามแทรกนะนิสัยเราเคยให้นิสัยคิดไปก่อนชอบคิดชอบคิด ความคิดก็จะเข้าจะเข้าแทรกเลยแต่ถ้ามีรู้อยู่เนี่ยความคิดมันมันมานอกๆมันเข้าไม่ถึงจิตที่รู้ถึงเข้ามามันก็ต้องรีบไปเพราะรู้เนี่ยมันตั้งมั่นอยู่รู้มันตั้งมั่นดูอยู่แม้รู้จะหายไปมันหายไปไม่นานมันก็ต้องเกิดขึ้นมาแทรกความคิดอีกมันสองอย่างเนี่ยมันทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยมันอนัตตาทั้งนั้น่ะมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ต้องเกิด มีเหตุปัจจัยให้ดับมันก็ต้องดับหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปเนี่ยวิธีการรู้เท่าตานก็คือสังเกตดูระหว่างรู้กับคิดสองอย่างกรรมฐานเระไปเชอกันตรงนี้แหละรู้กับคิดเรื่องของกายอย่าไปสนใจมันมากเลยไปรู้เรื่องของกายมันมากมันก็เป็นภาร ะ, ะมากมันไปไหนไม่ได้จิตไม่ได้ไปไหนดูร่างกายนั่นแหละเนี่ยเรื่องของมันเรื่องของกายก็ดูแลพอสมควรดูเรื่องของจิตระหว่างรู้กับคิด รู้กับคิดสองอย่างเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นมาทุกทีเราจเห็นว่าโอ้รู้เดี๋ยวมันก็หายคิดเดี๋ยวมันก็หายไม่ต้องไปทำาอะไรขึ้นมาคอยสังเกตสองอย่างระหว่างรู้กับคิ ด, <prett> คด <prett> <ส> <prett> มันไม่มันไม่มีตัวตนต้งคู่หรอกมันสลับกันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติว่าเกิดดับสลับกันไปอัน<ส><ก><ส><ก>นี้เป็นกรรมฐานมันจะเริ่มเข้าใจเพราะจิตรู้มันหนักหน่วงขึ้นมานะ มันก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่เดียวแทกวันนี้เราก็จะเข้าใจมันจะกลายเป็นผู้ที่ดูอาการเหล่านั้นไปทั้งหมดเลยถ้าเราหยุดคิดหรือควบคุมความคิดรู้ท้อตันความคิดได้เนี่ยอาการทุกขเวทนาทางกายหรืออาการเจ็บไข่เนี่ยมันจะทุเลาลงมันจะไม่รุนแรงมันจะอยู่แค่นั้นอะ่ะเช่นอาการเวลาเราปวดฟันเนี่ยมันปวดเต็มที่ ดูมันไปหมอปวดเต็มที่ดูที่มันเต็มที่ขนาดไหนมันขึ้นสูงสุดมันสูงแค่นี้เลยเหรอมันปวดแคนี้เลหรอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะลงมันจะลงมันมันจะสูงแค่ไหนก็สูงแค่สูงแล้วมันก็จะต้องลงนะอดทนดูมปเรื่อยๆนี่พอดูมันขึ้นปวดเต็มที่ปั๊บพอมันลงคราวนี้มันจะปวดต่อไปเนี่ยมันจะไม่เต็มที่ถึงขนาดมันจะลดลงไปเรื่อยๆอาการปวดเนี่ย มันจะค่อยๆทุเราลงไปเพราะจิตเราเริ่มรู้เท่าทันที่ไม่ไปงุนหิดเลยกับมันดูบางครั้งเนี่ยต้องดูให้มันเต็มที่ดูปล่อยให้มันเต็มที่ไปเลยเวทนาขนาดไหนเนาะดูสิขนาดไหนที่สุดของเวทนามันก็คือสุดท้ายมันก็ต้องลงมาเหมือนเดิมดับเกิดดับยังนั้นต้องทนดูกรรมฐานต้องทนดูตั่งไหะทนดูนะมันต้องไปแก้ไขมันทนดูอดทนดูแล้วมันจะเข้าใจตัวเราเองได้มากได้ไว ธรรมะจะเกิดใบเพราะว่าเราดูมันอดทนดูขันติบ้างสติบ้างขันติบ้างสติบ้างล่วงกันไปเลย <c oughs> สองอย่างเนี่ยจิตมันจะเข้มแข็งและจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากมายโดยที่ไม่มีคำพูดผมเคยไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนอาภาท่จุลาท่านเขียนในอะไรในใ น, ในลาย เขียนเป็นหนังสือแล้วก็มีพรารุสิทธิ์ก็ออกมาเป็นลายไหหายใจทางคอจอะคอหลวงพ่อหายใจทางคอจอบคอแล้วก็ให้อาหารทางทางหน้าท้องเครื่องพัฒ น, นาการเยอะเลยหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่พ่อเป็นอิสระอะไรครอบงำไม่ได้ท่านอิสระอะไรครอบงาไม่ได้ ผมไปเยี่ยมท่านเห็ท่านนอนท่านหลังขยับมาเจอผมุกขึ้นตั้งท่านก็ยิ้มตุย <c oughs> ยิ้มเราโอ้ไม่ได้พูดอะไรนะพูดลําบากทั้งก็ไม่พูดอะไรโอความรู้สึกตัวนี่ไม่มีคำพูดเนาะเราก็นึกความรู้สึกตัวนี่ไม่มีคำพูดเนาะถ้าไม่ต้องพูดอะไรเลยบางั้นท่านก็เขีย น, นเดี๋ยวนี้กลับไปวัดแล้วกลับไปวัดทำาบฟายหวานานก็เดินถอด ถอดไอสระออกซิเจนเามาเดินเล่นแล้บ้างวันเหนื่อยเข้าไปใส่ต่อจห้ใจตั้งคอให้อาหานทางหน้าท้องโอ้สุดยอดกรรมฐ า, านเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะให้เราแล้วก็ยังป่วยให้เราดูแล้ววิธีการใช้ชีวิตในขณะป่วยไข้เนี่ยโอ้เนี่ยผมก็ไปถามพระที่ดูแลท่านดูสิว่าหพา่อได้ปกติมา ใครจะให้อาหารอะไรทั้งนี้พ่อก็นั่งขยับนอนขยับมือดิกดิกดกดก๊มันไม่มีอะไรกิขึ้นกับกับจิตใจนะเกิดขึ้นร่างกายนะแต่ใจธรรมดาไปให้อาหารก็อาหารไปปิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นตักน็นอนขยับขาขยับมือเนี่ยสุดยอดกรรมาฐานช่วยถึงขนาดนี้นะหลวงพ่อกําัเขียนเนี่ยเจียตายมาหลายครัง้งต่อหลายครังนะ้งแล้วหายใจออกมาโดยปกติก็มีก้อนเนื้อติดเอาอีก ก็ต้องเจาะคอให้อาหารให้อาหารทางหลอดอาหารทางจมูกก็มีก้อนเนื้อติดคอให้ไม่ได้ให้ทางนี้ก็มีปัญหาอีกทุกอย่างมีปัญหาหมดมก็อยู่ได้ไยังไม่ทาดกันก็ยังอยู่ได้เพราะว่ากรรมฐานมันเป็นหลักทาให้ร่างกายเนี่ยมันทรงทร ง, ทรงอยู่ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ตอนแรกก็เออคงจะไม่นานเนาะเอ อันนี้เราก็มองไปไปเยี่ยมทิงโอ้คงจะไม่ไหวแล้วเนาะอย่างนี้ตัวแรกดูว่าท่านคงไม่นานนะทีนี้ไปเยี่ยมทิงทุกครั้งไปเยี่ยมทีไรก็โอ้ท่านคงจะไม่ไหวเลยนะดูอาการแล้วใช้ได้เลยจําเอาไว้เป็นครูบาอาจารย์กรรมตาผมก็จําเออถึงข่าวเรื่องนี้เราจะลงได้แบบท่านหรือเปล่านอนมันก็ต้องวัดใจกันดูก็ต้องปึกเอาไว้เนี่ยสุดยอดนะ เนี่ยอย่าไ้ทำกันเหมือนกันนะเนี่ยเราอย่าประมาทผู้ที่มีอายุนะเนี่ยผู้ที่มีอายุรู้สึกว่าเดินไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยคล่องสมัยนี้ผู้สูงวัยมาคุยกันบ่อยชานใช้ ช, ชีวิตเนี่ยมันปิดพลาดบ่อยนโดยเพราะเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินนะเดินคนแก่ๆเดินซอตวสตซ เ, ซเดินไม่ค่อยตรงนะสะดุดขาตัวเองล้มบ้างก็มีออ จนรูดขาตัวเองล้มบางทีก้าวขึ้นธรณีข้ามธรณีก้าวไม่พ้นเตะล้มก็มีมันทรีจกก้าวลงระดับที่มันต่ำลงพอลงไปข่ามันอ่อนก็มีขเขาเจ็บมีหลายคนบอกโอ้ทาไงดีเาต้องตั้งสติหน่อยต้องมีสติการใช้ชีวิตต้องมีสติเนี่ยผู้สูงวัยนะต้องมีสติสูงวัยมันเสื่อมทุกวัน ต้องมีสติในการใช้ชีวิตหรือว่าเวลาเดินสติเนี่ยมันช่วยเราในปลอดภัยได้ต้องมีความตั้งใจหน่อยกายอยู่ไหนใจต้องอยู่ด้วย <c oughs> กายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยใช่ไหมนะไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยกายกับใจไม่อยู่ด้วยกันล่ะเพราะโดยนิสัยเนี่ยใจจะไปก่อนกายมันตามไม่ทันเพราะกายมันเสือ่อมไปกายกับใจต้องไปดยวยต้องไปด้วยกันต้องไปงพร้อมๆกัน ต้องอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นกรมาารมฐานถ้ากายกับจิตเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่กรมาา ร, กรมฐานกรรมฐานกายกับจิตต้องอาศัยกันในการใช้ชีวิตมันจะปัญหาจะน้อยลงระยะทีทําทุกท่านก็อย่าประมาทเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆหลายๆอย่างเวลาเราเจ็บจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าใช่ไหมอยู่ดีก็ป่วยก็ไข้เลยแล้วก็ เราก็ตั้งตัวไม่ทันต้องเตรียมจรูญสติต้อนรับเอาไว้ตอนนี้มันมีภัยหลายลอย่างภัยการเมืองภัยพิบัติต่างๆนี่ต้องเตรียมพร้อมเสมอเราเตรียมพร้อมคือไม่ใช่ไปเตรียมเรื่องแต่ข้างนอกเตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ไอ้ข้างนอกเนี่ยมันก็มันก็มันก็มีอยู่แล้วเตรียมอยู่แล้วแต่ข้างในต้องเตรียมให้ได้มหสุดถึงข่าวไปไหนไม่รอด ก, ก็ดูจิตดูใจเลย ปล่อยวางมันเลยต้องเตรียมจิตใจโดยกาปึกเจริญสติเอาไว้เพราะขันห้ามันเสื่อมทุกเวลาไม่ทุกวันนะทุกเวลาทุกวันมันเยอะมากไปเสื่มทุกเวลาเคยสังเกตดูตัวเราไหมวันนเนี้ยมีอะไรไม่เหมือนกัน่โดยว่ามีความเปลี่ยนแปลนี่ไม่เหมือนกับเมื่อวานไม่เหมือนกันยิ่งดูนานเห็นว่าไอ้มันนี้มันเปลี่ยนผิดปกติมันวายผิดปกติยิ่งชีวิตขาลงเนี่ยโห ชีวิตขาลงเนี่ยมันยิ่งไวนะอีตอนลงเนี่ยมันไวขาขึ้นเนี่ยมันชา้าเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใหญ่แต่ขาลงในพรวดเดียวอ้าวดูคนนู้นก็แก่ที่จะแกะแต่ตะเรือนดูเราเราก็แก่ไม่เกินเขาเหมือนกันชีวิตขาลงเนี่ยต้องต้องเราต้องต้องฝึกเอาไว่มากๆประเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพราะขันห้าเนี่ยมันเสื่อมทุกเวลาอย่าให้มันเสื่อมไ ป, ปเปล่า ขันห้าเสื่อมแต่เรามีสติปัญญามากขึ้นสติปัญญาอย่าเสื่อมตามขันห้าสังเกตดูเวลาเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยอะไรเมื่อสมัยหนุ่มเป็นสาวก็รุนแรงเนี่ยทุกอย่างมันรุนแรงหมดกิเลสก็รุนแรงโกรธก็รุนแรงโลภะก็รุนแรงพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมันจะเริ่มไม่รุนแรงนะถึงจะโกรธมากแต่ก็ระบายออกมาน้อยลงเมื่อก่อนโกรธนิดเดียวระบายมาก พอมีอวัยขึ้นปั๊บเนี่ยพอขึ้นเลขสามเลขสี่เนี่ยพระกรดมากอาการรุนแรงมันจะน้อยลงสังเกตดูไหมมันจะไม่หนักหน่วงเหมือนเมื่อก่อนแหมเราจะเคยคุยกับเด็กรุ่นหลังว่าแหม่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอือย่างงี้ไม่ได้ใช่นะนแต่ตอนนี้เนี่ยเี่เราจะรู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจะเบาขึ้นแต่ว่าสติปัญญาต้องมากขึ้นทุกวันต้องสะสมสติปัญญาไว้เแล้วปัญญาเรื่องการดับทุกข์เนี่ย สำคัญมากเรื่องอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่เรื่องดับทุกเนี่ไม่รู้ไม่ได้นะต้องรู้ให้ได้เรื่องีสำคัญนะเพราะเราเกิดมาเพื่อที่จะไม่เป็นทุกข์เราไม่รู้เรื่องอื่นไม่เป็นไรหรอกเนเราไม่ทันโลกไม่ทันสังคมไม่เป็นไรนแต่เราถ้าไม่ทันใจเราเดือดร้อนรู้ไม่ทันใจเราเดือดร้อนไม่เป็นไรไอ้ข้างนอกมันเจริญเปนเรื่องเขามันจะมีอะไรอะไร 4G 3G เลยปล่อยก็เถอะ มีไปเรื่อยอะไรอย่าเพิ่งไปซื้อรอให้มันมีหลายๆจีก่อนแล้วค่อยไปซื้อมันจะถูกกว่านี่ปล่อยไปแต่เรื่องของจิตใจเรื่องดับทุกเนี่ยต้องรู้ให้ได้ที่ไหนพูดเรื่องดับทุกไปฟังที่ไหนปฏิบัติเพื่อดับทุกไปทำเนี่ยแล้วกลับมาทำกับตัวเราเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นวิชาสุดท้ายที่จะต้องเรียนถ้าต้องสอบไปผ่านเพราะทุกคนเนี่ย จะต้องเจอเจอประสบการณ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตประสบการณ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตคืออะไรมันหนีไม่พ้นแล้วความตายทุกคนจะต้องเจอนั่นคือประสบการณ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตตอนนี้เรามีโอกาสมากแม้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ยังมีโอกาสที่ยังได้ตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจได้ ยังมีโอกาสตอนนี้มีโอกาสไม่มีอะไรสายเกินไปบางคนมาเริ่มปฏิบัติธรรมตอนอายุมากมันสายไปไม่สายเลยนลี่แหละเป็นถูกเวลาแะ้วยุมากปฏิบัติดีเพราะมันจะมีความตั้งใจมากกว่าเรื่องมันจะน้อยลงมันจะได้ศาสตรงฝึกเที่ยบปล่อยวางปล่อยวางฝึกเทียบปล่อยวา ง, วา ง, ท, วางทุกวันนี้ต้องฝึกเทียบปล่อยนะอย่าเอาข้ามาฝึกเทีย่ยบปล่อยไว้อะไรปล่อยได้ปล่อยไปเถอะนะจ้างไว้ไม่เป็นไร ถ้าหวัวมันไม่เป็นไรเนี่ยปล่อยไปอย่างนี้บ้างเนี่ยมันจะได้เบาแ้วสุดท้ายเนี่ยจะปล่อยคันห้าเนี่ยมันจะต้องใช้พลังสติปัญญามากๆถ้าไม่สะสมพลังสติปัญญาไว้เนี่ยมันปล่อยกันห้าไม่ได้นะมันแบกไปพบหน้าชาติหน้านะไปเกิดในในรัสเซียลำบากนะย่าริทามมาคุยบางท่านก็คุยถามว่าจะ มาตอนนี้ประมาทมาไม่เคยไปดิบัติเลยบอกว่าเอา้าถ้ารู้ว่าประมาทก็ไปดิบัดซะสินะทําในรูปแบบนะเจริญสตินะฝึกเรามีกรรมฐานยางไงก็ทําไปเถอะใครชอบหลงหายใจก็ทําไปใครทําไปรลงวิเทียนยศ ม, มือเคลื่อนไหวต้องทําให้จริงๆต้องตั้งใจต้องทําด้วยความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยสติมันไม่ตั้งมั่นต้องตั้งใจ มันจึงจะมีสมาธิมีสติตั้งมั่นตั้งใจทำอย่าทำเล่บเอยการเคลื่อนไหวแต่และจังหวะเนี่ยลงว่ตเทียนหรือาการเดินจงกรมแต่ละครั้งต้มด้วยความตั้งใจอย่าทำเรื่อยๆมันเป็นกรรมที่ไม่มีผลถ้าตั้งใจทำมันเป็นกรรมที่มีผลกรรมดีที่มีผลดีนีกา ร, รดีคือกรรมฐานเนี่ยกรรมดีมันจะมีผลดีออกมาอย่าทำแบบเล่บเปลยทำโดยเขาเรียกว่าเป็นนะ อั็นนิสัยทากรมาารมฐานท่นหน่อยวันนี้อย่างเงี้ยไม่ค่อยได้แล้วทำคือทำเลยทำกรมาารมฐานท่านหน่อยเดี๋ยวมันจะเสียธรรมเนียมเมื่อวานก็ไม่ค่อยได้ทำนี้ทำท่านหน่อยอ่ อ, อนเหลือเกินทำคือทำเลยเราถ้าหน่อยตามตั้งใจทำเลยตั้งใจทำบางคนบอกให้ตั้งใจทำเนี่ยโอ้โหทำท่าเคร่งเครียดเลยนะไปทำท่าเคร่งเครียดเลยแล้วก็เครีย ด, ดย <st> รกรรมาฐานนะ โอ้โหยังั้นไม่ต้องทำแล้วไม่ทากรรมฐานก็ไม่เครียดพอทากรรมฐานแล้วเครียดอย่าทามันผิดทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายเพื่อการปล่อยวางทำเพื่อจะปล่อยวางทำให้ทำให้ธรรมชาติไปอย่าทาเอามาเป็นของตัวตนปล่อยวางให้ธรรมชาติไปยึดมั่นเลยยึดมันเป็นของเราถ้าใครทำเพื่อจะเอาทำเพื่อจะได้เนี่ย มันเป็นเรื่องของของกิเลสมันเป็นเรื่องตัวตนทำแล้วปล่อยทำแล้วทิ้งไปทิ้งไปแล้วทำใหม่ทิ้งไปทาปล่อยตามทิ้งอย่างั้นแล้วก็ทำเรื่อยอย่างนั้นน่ะกรรมฐานต้องปฏิบัติทมเนี่ยต้องทำแล้วก็ปล่อยวางไม่ทำเพื่อจะเอาตัวตนมันก็จะมากขึ้นตัวตนมากขึ้นแล้วความทุกข์ก็มากตามตัวตนมีตัวตนแมกแค่ไหนก็ทุกข์มากแค่นั้น ทำเพื่อจะปล่อยทำเพื่อจะวางทำเพื่อจะเอา่านได้อะไรเลยถูกแล้วทํากรรมฐานไม่ได้เลยหรอก <c oughs> ทำแล้วก็ทิ้งถ้าทำแล้วได้เนี่ยมันมีปัญหานะถ้ามีได้ขึ้นมาต้องเก็บนะเสียบใส่กระเป๋าเก็บแต่นันได้ถ้าทําแล้วไม่ได้เลยนันก็ดีนะนะไปเดินช้อปปิง้งไม่ได้เลยดีนะเบานะไม่เสียเงินด้วยเดินช้อปปิ้งได้อะไรมาบ้างโอ้โหสองมือสองข้างเสียเงินแล้วได้ของได้มาก็มันดีก็ไม่ได้ใจนั่นแหลคือทางโล ก, โลก ต้องทำนี่ทําแล้วไม่ได้อะไรเลยล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวเอาไมมหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนายขยับหมดเนื้อหมดตัวบ้างเอาจะประคูณขอให้สิ้นเนื้อประดาตัวให้หมดหมดเนื้อหมดตัวต้องทําจริงๆนั้นในรูปแบบต่างๆต้องฝึกเนี่ยผมเองนี้ผมยังนอนฝึกเล่นนอนพลิกมือเล่นตื่นเช้ามาก็ขยับมือเล่นนอน ทำรู้สึกมันเป็นบรรยากาศของชีวิตของเรามันก็สบายนะรู้สึกตัวไปไม่ได้เอาอะไรทําพริกมือแล้วก็รู้เนี่ยกรรมฐ า, านผมก็นอนขยับเนี่ยมือพ่ <c oughs> อมเขียนยางเจ็บไข้ท่านอนองเขย่าขาดีดีเนะนี่ยกรรมฐานอะไรก็ได้ให้มีความรู้สึกตัวที่เราถนัดบางทีเราจะถนัดอนะลมให้ใจก็ทําปขอให้ทำเอะให้มันมีความรู้สึกให้มีความรู้สึก ให้มันเคยชินเมื่อถึงข่าวป่วยไข้จิตจะมาอยู่กับความรู้สึกมันไม่อยู่กับทุกขเวทนาถึงข่าวตายจิตอยู่กับความรู้สึกไม่ไปอยู่กับกายที่มันแตกทําลายเลยฝึกใส่ข้อมูลเข้าไว้ตรงเนี้ยใส่ข้อมูลเข้าไว้เรื่อยๆเนี่ยแล้วสุดท้ายเราไม่เจตนามันก็เกิดขึ้นมันเองเราทํายังไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละเราตามข่าวลูกศรมันก็ได้ความรู้สึกตัวถ้าเราไม่ทํามันก็ได้ไม่ทำํำ ต้องทำขึ้นมาบางคนบอกให้ให้ไปปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจทําจนเกิดความเครียดไม่ได้ให้ไปเครียดไม่ได้ให้ไปทุกข์ให้ไปทําเมื่อไม่ให้ทุกข์บอกว่าให้ทําแบบจริงจังจริงจังเพราะจริงจังเนี่ยพราเครียดเกินไปจริงจังคือให้ความสําคัญกับการปฏิบัติของเราให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าไปเอาจริงจังไปเพ่งมันไม่ใช่เราต้องเข้าใจ แล้วก็เคยถามจะที่ทำมาตอนนี้กลัวอะไรอยู่หรือเปล่ากลัวอยู่ไหมเพรกลัวกลัวอะไรกลัวเจ็บบางคนก็กลัวจนกลัวไม่มีระดับเลยกลัวเจ็บแล้วกลัวจนไม่มีใครบอกกลัวเกิดบ้างเลยมีไหมกลัวเกิดเนี่ยพระริยเจ้าเนี่ยกลัวเกิดนะแต่ปุตติชนเนี่ยกลัวไม่เกิดนะ ไปกลัวเจ็บกลัวจนนักปฏิบัติก็กลัวแบบนี้กลัวไม่มีระดับนะไม่ใชนะ่นักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องกลัวเกิดเสม้มีระดับไหน่อยไปบ่ก็ความไม่เกิดอนะ่ะไปกลัวเจ็บกลัวจนโอ้กระจอกอย่างผู้ที่เจ้าไม่ได้ไม่ได้สอนว่าห้ามเจ็บห้ามจนนะะผู้เจ้าไม่สอนนะถ้าบอกว่าถ้าเจ็บท่าจนก็อย่าทุกข์นะท่านสอนแม่ทุกข์แม้ว่าความเจ็บความจนจะมาสู่ ตัวเราพระเจ้าสอนยาทุกขต้องไม่ทุกข์กับมันไม่ได้ห้ามทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้กับเราทางนั้นนะ่ะแต่เราอย่าทุกข์กับมันถ้าไม่ทุกข์กับมันมันก็จบเดีกรรมาฐานเพื่อความดับทุกข์ทำบาปมีไว้เพื่อความดับทุกข์ถ้าไม่ทุกข์เนี่โอ้พอแล้วชีวิตนี้หิวได้ยิวได้ปวดได้ตายได้เจ็บแค่ได้แต่อย่าทุกข์กับมัน เอนเอนะไทยอยากจะถามอะไรบ้างไหมเนี่ยมีไหมการปฏิบัติมีท่านใดมีก็ซักถามนะครับครับนานๆอาจารย์มาทีนะครับอย่าเสียอากาศนะครับอ่ะว่าไงถามเลย <c oughs> ยกมือขึ้นนิดนึงครับ คือว่ามันก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านนะคะอาจารย์ก็เมื่อก่อนนี้ฟุ้งซ่านเราเห็นไหมสมัยที่เราไม่ได้ฝึกกรรมฐ า, านเราก็ไม่เห็นความฟุ้งซ่านใช่ไหมพอเราเข้าไปฟุ้งกับมนะันเห็นความฟุ้งซ่านนั้นมันถูกทำแล้วนะถนะูกทาละดีละที่มันเห็นนะเห็นของตาแล้วทําทยังไงละ่ะเห็นการฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการเห็นเนี่ยได้แล้วหนึ่งคะแนนนะ นี่เราทำไงต่อการฟุ้งร้านไม่ต้องไปทำอะไรกับความฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านเปนเรื่องของจิตใจเรามีกรรมฐานอะไรละ่ะแล้วก็อ่ะอจิตมาอยู่กับกรรมฐานเราซะอย่าไปตามดูความฟุ้งซ่านเราก็จะฟุ้งตาม อ, อารมณ์เหล่านั้นเรามีกรรมฐานอะไรเป็นหลักแล้วก็กลับมารู้ตรงนี้ซ ะ, ะความฟุ้งซ่านก็จะหายไปแล้วมันก็จะฟุ้งอีกแล้วก็รู้ได้อีกหนึ่งคะแนนแล้วเราก็มารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหว หรือว ม, มใจที่เราทําอยู่ถ้าเราเคลื่อนไหวว่ามาอยู่การเคลื่อนไหวนะก็ได้อีกหนึ่งคะแนนเห็นแล้วมันดีเห็นผิดแล้วมันดีถ้าไม่เห็นเนี่ยเราจะรวมไปเป็นหนึ่งกับมันอย่าไปลังเกยียจความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดาของจิตแต่หน้าที่เราคืออยู่กับกรรมฐานมารู้ตัวกรรมฐานอันนี้เป็นฐานเป็นหลักของเราก็ทั้นนั่นเนี่ยไฮไลท์ของการทางกรรมฐานคือเวลาหลงไปฟุ้งซ่านเห็นฟุ้งซ่าน เราสามารถกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวได้เนี่ยก็ใช้ได้อันเนี้คือไฮไลท์ทำงี้ไปบ่อยเนี่ยจิตมันจะมันจะเห็นแล้วมันก็จะกลับมาเองแล้วต่อไปความปรุงสร้างก็จะน้อยลงไปทําอะไรไม่ได้แล้วความปรุงสร้างแต่เราอย่าไปให้ความสำคัญกั น, กนแล้วกันแล้วก็อยู่ยบรรฐานเราก็จบอยู่บนฐานอะไรอยู่ล่ะครับอืก็ทํา ทำสวดมนต์เดยจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิค่ะยกมือบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันคิดเยอะจนมันออกจากความคิดไม่ได้อะค่ะก็ตั้งใจเนะ่ะมันคิดเยอะเป็นเรา ก, ก็เราให้ให้อาหารมันไปเยอะก็คิดเยอะเราตั้งแต่เกิดมาเราคิดมาตลอดก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่แปลกแต่เราจะมีข้อมูลใหม่มีวิธีการใหม่มีการปฏิบัติใหม่ คือตั้งใจมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่กับปัจจุบันอยู่สิ่งที่เราทำํำก็ท่านั้นเองมันก็ต้องยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างนี้นะยื้อกันไปยื้อกันมาจริงเราไม่ยือ้อแล้วเราก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เริ่มต้นทำของเราใหม่เวลามันคิดอีกไปอีกแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรทุกการที่กลับมาเริ่มต้นทําใหม่เนี่ยตรงนี้แหละถือว่าเป็นเป็นคะแนนสูงสุดเลยเริ่มต้นทําใหม่ก็ต้องฝึกบ่อย เพราะว่าจิตเรายังไม่ยังไม่ค่อยมีกำลังเราอ า, อาจจะปฏิบัติมันน้อยอาจจะเริ่มต้นเรามีศรัทธาดีแล้วแต่เราก็ต้องปฏิบัติให้มากๆทิ้งไปเลยแล้วเริ่มต้นทำของเราใหม่ัมม่งนั้นแหละ <c oughs> สะสมนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณครับมีท่านใดมีคำถามเป็นไหมครับยกมือได้นะครับ ผมก็เคยได้มีโอกาสฟังอาจารย์มาจาก YouTube นะครับฟังที่ของบ้านจิตสบายเนี่ยครับแล้วก็ลองปฏิบัติตามดูบ้างก็เหมือนเหมือนกับจริงๆ จ, จะบอกว่าถามก็ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนเล่าให้ฟังดีกว่าครับคือแต่ก่อนเนี้ยก็มีความสึกว่าพยายามดูจิตแต่ว่าเหมือนดูแล้วเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ก็แรกๆเห็นหลงัลงๆเริ่มไม่ค่อยเห็นเราก็เหมือนอารมณ์ตัวเองมันมันค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนที่อาจารย์บอกครับว่า พอเร า, ากลับมาอยู่กับกายเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออไอความรู้สึกเนี่ยมันมันทำใหเราทาใหเราเงียบไปแป๊บหนึ่งได้ครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่เหรอความรู้สึกแล้วมันก็แยกออกจากกันได้บ้างบางครั้งนะครับทีนี้พอเราเริ่มพอเราเริ่มมีมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นเราเห็นหลายหลอย่างรอบรอบตัวที่เราไม่เคยเห็นเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับคือพอเรามาดูตัวเราก็เห็นตัวเรา อเราไปดูอะไรเราก็เห็นนั้นจริงทีนี้ที่ที่ผมกําลังเอ๊ะเราพอเราเริ่มมองงานของเราเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าเออมันมีรายละเอียดบางอย่างในงานที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนในเรื่องของทางทางทางจิตใจนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยก็สงสัยนิดหน่อยว่าถ้าเราไปเห็นในเรื่องของสายเกิดบางครั้งเนี่ยเช่นกระบวนการในการที่เราทําผมทาเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบสินค้าอะไรเงี้ยครับแล้วเราไปเข้าใจกระบวนการในการเกิดขึ้นของตัวมันขึ้นมาเนี่ยจากทุกขึ้นมาบางอย่าง ถ้าเราเอาไปใช้ในทางโลกนี่มันมันจะผิดไหมครับอาจารย์ใช้เรื่องอะไรใช้ใช้ในการดีไซน์สินค้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอผิดหรอกดีแล้วเป็นประโยชน์ดีไซน์สินค้าอย่าดีใจแบบระเบิดขึ้นมาแล้วกัน <c oughs> ดีไซน์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปไม่ผิดหรอกนั่นคือผลพวงจากกรรมฐานได้สมาธิได้วิธีคิดได้อะไรขึ้นมาก็ดีแล้วนั่นแล้วส่วนส่วนของการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าเหมือนมัน บางทีมันทําไปเรื่อยๆนานๆเข้ามันมันสู้กับความง่วงไม่ไม่ไม่ค่อยไหวมันจะเป็นปัญหานั้นซะมากกว่ามีปัญหาแล้วความง่วงธรรมชาติของมันคนที่ไม่ง่วงเนี่ยมีปัญหาคนมีความง่วงมีปัญหานักปฏิบัติต้องเจอความง่วงปราการดั้งแรกของกรรมฐานคือความง่วงธรรมดานั่นแหละเราก็เจอแล้วก็เดินผูกทางละเมื่อง่วงทํายังไงเราก็อนี่คือความง่วงมาเยือนนะเลยทําไงที่จะเอาจิตเราออกจากความง่วงให้ได้ เราจะใช้วิธีแบบไหนที่จะจิตจากความง่วงให้ได้แล้วก็อยู่กรรมฐานแล้วก็ลุกไปเดินเดินวัยหน่อยก็ได้เดินวัยมองไกลๆมองปล่อยสายตาไปไกลๆถ้ามันง่วงมากเดินกลางแจ้งหรือเดินไม้ท่อนเดียวสมาธิเนี่ตั้งมันเป็นล่วงที่สุกโตนี่เดินนั่นเลยนะเดินระเบียงเลยนะเดินระเบียงไม่มีลาวด้วยง่วงติดตกบนระเบียงจิตมันเริ่มที่จะตั้งใจที่จะทา ความตั้งใจนี่แหละทําให้จิตมีน้ําหนักเราตั้งใจทําอะไรเนี่ยจิตมันจะมีสมาธิตั้งมั่นถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยสมาธิไม่ตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นจิตมันก็มีน้ําหนักมันไม่เลื่ Podcast, อนลอยไปกับความง่วงมันไม่เลื่อนลอยกับความคิดมันมีน้ําหนักตั้งคําว่ามีน้ําหนักนี่นะมันจะอยู่มันจะอยู่กับที่ไม่ยอมลอยไปไหนอาศัยความตั้งใจหนะะย่ยมังนง่วงออกมาเราก็ลุกไปเดิน ไปเดินล้างหน้าล้างตากระบวนการกรรมฐานล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาเดินใหม่ดูซิเนี่ยเดินกลางแจ้งเยยีบเดินให้ใกล้ที่นอนเยบเดินใกล้ใกล้นนกลกลตรงที่ลม่ลมล่มผีมันจะดูดผีที่นอนมันดูดเวลาเดินใกล้ที่นอน <c oughs> ผีที่นอนมันดืด้อ <c oughs> ก็ไมนอนเลย <c oughs> เดินบางห่างออกมากลางแจ้งเนี่ยความวาา ง, าง่วงใชนะ้ง่ายมากอยู่แตว่าเราเราจะเราจะมีความอึดได้แค่ไหน ผมนอนทำผมก็ง่วงผมก็อยู่กับมันได้แล้วแล้วก็อลิกันนั่นแะก็พยายามที่จะดิด้นลนออกพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยพลิกทางซ้ายบางทีมันมก็เออมเข้าทางความง่วงก็จะหลับต่อพลิกขวาจริงมันทีพลิกขวาขยับมาใต้ดริงหลอกความง่วงให้มันหลงทางขวาทีซ้ายทีมงึมงง่วงตรงไหนให้มันหลงทางมันเหมือนอะไรเหมือนในสุนัขมันวิ่งไล่กระต่ายวิ่งไล่ไปวิ่งไล่พอาะชนปับ๊บพอถึงต้นไม้ปับ๊บ ก็ตายมนหลกต้นไม้สุนักวิ่งเลยไปเลยนี่หลอกความง่วงต้องหลอกมันต้องทักท่วงมันหลอกมันหลอกให้มันตายใจแล้วเราก็ไม่ทําตามมันนะอาจาชนะใช่ไหมโอ้ความง่วงไม่มีตัวตนหรอกมันมาเดียวๆชั่ววูบเดี๋ยวมันมาเป็นเวลานะเนี่ยเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวบางคนง่วงแล้วมันไม่เป็นเวลาเนีบ่ายสองบ่ายมมันเป็นเวลาของมันเดี๋ยวเดียวอดทนเดียวๆนะพอเลยเวลาแล้วมันไม่ง่วงอล้เคยไหมหัวค่ํานี่ะ โอ้ง่วงนอนอยากนอนจังเลยอยากนอนเหลือเกินพอนอนจริงมันไม่หลับใช่ไหมบางทีมันมันตื่นมากลางคืนมันไม่หลับลืมตาโง่ต่ออยาสว่างก็มีมันมีเป็นเวลานิดเดียวมั น, นี่มีตัวตนรออย่าไปกลัวมันวิธีการคือไม่ห้ามความง่วงไม่รังเกียจความง่วงเราจะเอาจิตเราเนี่ยออกจากความง่วงอย่างไร เอาจริงเราไปฝ่ากไว้กับอะไรนาพระคุณเจ้าบวชมันจะบอกว่าท่านท่านเดินจงกรมชนต้นไม้ทุกอย่างเอาชนะไม่ได้ตลอดพรรษาแล้วเจอแต่ความม่วงว่ะโอท้ท่านท่านทําอะไรมาไปนักมวยโอ้ท่านชกลมที่ท่านก็นชกลมชกลมมันหายง่วงมันถูกจริตกระขนบางคนค น, นักฟุตบอลก็เตะบอลโม่งบอลว่ากันไปเรื่อยๆอยู่ในการปฏิบัติแั้นงั้นะแล้วก็เอาชนะความง่วงได้ เอาจิตออกอย่างมันนะด้วยวิสัยของเราไปตามไกลเขามันไม่ใช่เราอะเราต้องออกของเราเองก็มาถามนะถ้าใครยัออกไม่ได้นีก็จงนอนซ ะ, ะนอนไนดะ้ Uran. เออมันไม่ไหวแล้วกู CROSSTALK ชาตินี้ฝึกเอาดีไม่ได้ลนะนอนดีกว่านทั้งที่ก็ต้องยอมลับหน้าง่วงก่อนขอบคุณครับอาารยี่ครับอาจารย์เออไ<อ>ปถามว่าพอดี ปกติก็เป็นคนที่ปฏิบัติในรูปแบบอย่างสม่ำเสมอนะฮะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยโดยเฉพาะเวลาทํางานรู้สึกว่าจะหลงไปเยอะแล้วก็หลงยาวด้วย<อ>มันไม่ค่อยต่อนเนื่องนะฮะก็ไม่ต่อเนื่องไม่เปไ็นไรหรอกหลงแล้วกลับมาได้ก็แล้วกันถ้ามันหลงไปบ้างเด้อหลงแล้วกลับมารู้ใหม่เพาะว่าต่อเนื่องเราเนี่ยมันต่อเนื่องของเราหลออแบบเหล็กเส้นมันต่อเนื่องแบบนี้มันเป็นไม่ได้หรอก จิตมันก็เดี๋ยวรู้มั่งหลงมั่งสลับกันไปหมายว่ามันเป็นแบบแบบโซ่ที่มันคล้องกับเป็นป้องป้องเป็นปาะปาะหลงไปแล้วกลับมารู้ลงไปกลับมารู้เห็นไหมโซ่เนี่ยมันมันคล้องกับเป็นเปาะเปะต้องแบบนั้นไม่ใช่เหล็กเส้นแบบนี้มันไม่ใช่มันหลงไปแล้วรู้สึกกลับมารู้มารู้ใหม่ได้แต่ถ้ามันหลงมากหลงบ่อยเราก็จะมีความตั้งใจผมจะบอกให้ตั้งใจทําตั้งใจทํางานเฉพาะหน้า เราทํางานแล้วมันหลงก็ตั้งใจทําให้อยู่กับปัจจุบันกับงานตั้งใจเมื่อตั้งใจจิตมันจะตั้งมั่นมีน้ําหนักสนุกเพลิดเพลินอยู่กับงานเมื่อที่หลงลืมเวลาทานาครับคําว่าตั้งใจเนี่ยสําคัญมากนะเราตั้งใจทําอะไรสีนั้นมันก็จะเจริญในใจเรามันหลงมันตั้งใจอย่าไปสงสยัยอย่าไปแปลกเพราะเราไม่ค่อยได้เคยเจริญสติจิตเรายังไม่มีกําลังก็ฝึกบ่อยๆให้มันหลงแต่จะได้รู้ว่า แต่รู้ว่าอ๋อเราต้องฝึกเรื่อยๆหยกขอถามพี่ข้อนะฮะเคยฟังในซีดีอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ารู้เฉยๆอยา่าอย่าเข้าไปอยู่กับมันอ๋อรู้เฉยคือรู้กับมันรู้โดยที่ไม่ไม่มีอคติกับมันเนี่ยเรารู้อะไรก็ตาอย่มีอคติอย่าทุกขเวทนานั่งละเมื่อยเนี่ยอ๋อเมื่อยเนาะถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยอ๋อเมื่อย ถ้าเองสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอเม่ลหลมันจะหายเนี่ยมีอาคติละอยากให้มันหายเป็นมากๆดีจะได้เห็นชัดๆมันก็ไม่ใช่ต้งองรู้วเฉยๆอ๋อมันเมื่อยก็คือเมื่อยนั่นเองเนี่ยหรือรู้เฉยๆรู้แบบเป็นผู้ดูอย่ารู้แบบเข้าไปอยู่ถ้ารู้แล้วบังคับมันเนี่ยเข้าไปอยู่ละอยากจะให้มันเป็นอย่างใจเราถ้ารู้แบบดูเนี่ยมันแย่งคนละคนคนละโลกเลยให้รู้แบบดูดูดูแบบแยก เนี่ยอย่างเช่นดูผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผมเวลาเจอทุกขเวทนาเจอความคิดก็ดูกันอย่างเนี้ยมันอาจะติดกันหน่อยต่อไปจะเห็นว่าอ๋อมันมีสองอย่างที่ไม่ติดกันคือมีรู้กับคิดเออมันมีคิดเกิดขึ้นที่นึงรู้เกิดขึ้นที่หนึ่งเอ้มันมันคนละอันกันนี่เนี่ยโอ้โหแยกจิตกับอารมณ์ได้ถ้าจิตมีกําลังนะเข้านี่มันมันเกิดคนละมันห่างกันเลยนาคาเขนี้ ถ้าเกิดเมื่ อ, อไหร่ก็จะเห็นมันนั้นถ้าไม่เกิดมันก็ไม่เห็นอะไรค่อยๆพัฒนาไปรู้แบบดูท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับข้างหน้าคํับคำถามหนึ่งแต่ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับท่านอาจารย์จะได้พักนะครับค่ะเรียนอาจารย์ค่ะถ้าหากว่าเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจ อาจจะต้องทําหรือไม่ต้องทำก็ตามแต่ว่าเราจะต้องทํายังไงก็มันดีอะคะ่ะถ้าเกิดสิ่งที่เราเอาคิดว่าเจอทีไรเรารู้สึกไม่ดีก็มันทุกทีเลยอะคะ่ะแล้วตั้งสติให้ได้เจอปัญหาต่างตั้งสติไว้ก่อนตัวอื่นทสำงานไ ม, ม่สำคัญเท่ากับตัวสตเิเจอปัญหาเจตสิที่เราไม่พอใจตั้งสติให้ได้พอตั้งสติได้เนี่ยมันจะมีปัญญาเข้ามาช่วยสรุปว่าเราควรจะทําอะไรณเวลานั้น ปัญหาคือต้องตั้งสติเช่นเวลาเกิดพายพิพัตต่างๆไฟไหม้ถ้าเราขาดสติเราก็โกลาหลขนฟุงซ่าวุ่นวายไปกับอาการแต่ตั้งสติได้เนี่ยมันจะมีวิธีคิดว่าอะไรควรจะหยิบอะไรควรจะเอาตัวรอดนตั้งสติก่อนเจอสิ่งนี้ไม่พอใจตั้งสติปับ๊บไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่สิ่งที่เราเห็นหรอกมันเกิดขึ้นที่ใจเราต่างหากใช่ไหมเราเจอสิ่งที่ไม่พอใจมัน มันคืออะไรเจอขี้หมากองหนึง่งเฮ้ยเราไม่พอใจมันไม่ใช่ขี้หมาทำให้เราไม่พอใจหรอกไอ้เราไม่พอใจขี้หมาต่างหากตั้งสติดูอ๋อมันจะเห็นความไม่พอใจของเราเองอ๋อบางทีเราเนี่ยมันผิดที่ตัวเรามันทีเราเป็นอคติในโลกออนีออนม OP, ออน้มีสิ่งที่เราชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบสิ่งที่เราชอบไม่ชอบน่ะสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นแหละแต่ความชอบไม่ชอบมันที่เรา มีญาติสามคนหนึ่งเขาไม่ชอบกระเทยเขาเจอกระเทยแล้วเขาเป็นทุกทุกทีอเขาเจอกระเทยแล้วเป็นทุกเราบอกว่ากระเทยมันทําให้คุณทุกหรือคุณทุกเพราะเพราคุณไปเห็นไปเข้าใจผิดเรื่องกระเทยมันผิดที่ใจเรากระเทยก็คือคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ในโลกนี้แต่ใจเราต้องหาที่ไปไปให้ค่าก็ใจเรานั่นแหละอืจะต้องพัฒนามัน ไม่ใช่ไปพัฒนาสิ่งภายนอกสิ่งที่เราไม่พอใจเนี่ยดูเถอะเขาทําให้เราไม่พอใจหรือใจเราไปไม่พอใจเขาตั้งหาของทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเป็นปกติแต่เราต่างหาที่ไปให้ค่าว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้สั้นอันนี้ยาวใช่ไหมถ้าตั้งสีได้ปั๊บเนี่ยจะเห็นว่าอ๋อข้างในมันจะลดลงไปความไม่พอใจมันจะหายไป ถ้าสติเกิดสิ่งนี้มันก็จะหายไปแล้วก็ต้องทําบ่อยๆจะรู้ว่าอ๋อความผิดความไม่พจําอยู่ที่อวิชชาของเรานี่เองคือความไม่รู้ของเรานี่เองถ้าคนที่เข้าถึงธรรมหรือเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยความพอใจไม่พอใจนี่ไม่ไม่มีสติปัฏฐานคือทาลายอภิชชาและโทมนัสความยินดียินร้ายในโลกในโลกคือสิ่งที่มากระทบต่างตาต่างหู โลกคือสิ่งที่มากระทบต่างตาต่างหูโลกคืออารมณ์โลกคือความคิดถ้ามีสติปัาฐานเนี่ยมันจะเอาชนะมันจะไม่ไหลไปตามความพอใจไม่พอใจหรอกจิตเราจะได้ไม่ขึ้นขึ้ น, นลงพอใจแล้วก็ขึ้นไม่พอใจแล้วก็ลงขึ้ น, นลงเนี่ยจิตเราก็ไม่ได้พักผ่อนมองทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันถ้าความไม่พอใจเกิดขึ้นใจเราต่างหากที่ไปไม่พอใจเรานั้น ตั้งสติให้ได้นะเพราะตั้งสติได้แล้วเนี่ยมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นว่าเราควรจะทำอย่างไรงณเวลานั้นตั้งสติมาก่อนปัญญาจะมาช่วยสนับสนุนเป็นตัวตัดสินปัญหาว่าจะยึดหรือจะวางดี <c oughs> ลืมนะสินี้มันคือต้องตั้งสติอะไรก็ขื้นตามตั้งสติให้ได้แล้วโดยประสบการ์เราจะมีปัญญาจากประสบการณ์ของคน คนมีประสบการณ์มากๆบางทีขาดสตินี่ทำอะไรไม่ถูกเลยมีประสบการณ์มากมีสติปับ๊บดึงเอาประสบการณ์มาใช้ได้ทันท่วงทีมาทันเวลาสำคัญที่บอกว่าต้องทำให้มากๆคือให้ความรู้สึกตัวคือสติรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละต้องทำให้มากๆอันนี้เป็นที่พึ่งเป็นคู่ชีวิตใครไม่เป็นคู่กับเราไม่เป็นไรเรามีตัวเนี้ยเป็นคู่ชีวิต เป็นคู่นอนไปไหนไปด้วยกันเป็นกิ๊กของเราก็ว่าได้